นี่คือาการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาาออนไลน์เอพิโซดที่90ครับวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของวาระซ่อนแฝงเพิ่มเติมเราได้พูดถึงเรื่องวิภพเราได้พูดถึงเรื่องวิธีการปรับแก้จิตตัวเราเองและวิธีการที่จะทำอย่างไรเพื่อที่จะละอคุศลได้อาตมาพระไพบูุ์ก็มาพร้อมกับคุณหมอณัฐพงศ์ครับกราบน้ำมศการและสวัสดีครับกับผมณนะัฐพงศ์กนะวิรุณจากกรุงเทพครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการมีมารยาใช่ไหมหมอใช่ครับใช่ครับมารยาเนี่ยที่อรมาตีความนะคือเราทําหน้าที่ประสงค์ที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังให้จําแจ้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้คาว่ามารยาเราได้พูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นการที่แบบวาระซ่อนแฝงรหรือว่าฮิดเด้นนจ์ด้เราต้องการทําสิ่งนี้ในใจเราคิดอย่างหนึ่งแต่เราพูดไปอย่างหนึ่งหรือาทําอีกอย่างหนึ่งก็เลยมานึกถึงระลึกถึงความ ไม่ดีของตัวเราเองนะในสมัยอตอนที่เราประพฤติพรหมจรรย์แรกๆมาแล้วสภ o ครับสาธุครับที่อาจามาอยู่ <c oughs> ที่วัดป่าตอนไหนส่งใหม่ๆเนี่ยน ะ, ะพอมาอยู่สักระยะหนึ่งเราก็ขออนุ ญ, ญาตกลับไปเยี่ยมที่บ้านนะก็ไปเยี่ยมที่บ้านเนี่ยในใจเราก็คิดว่าเออกูไปเยี่ยมบ้านแล้วแล้วกูก็จะไปวัดนั้นวัดนี้ไปเที่ยวเที่นี่นี่ด้วยอย่างเงี้ยแต่<ะ>ขอหลวงพ่อนี่ขอบอกไปเยี่ยมบ้านสักอาทิตย์นึงแต่ตั้งใจจะไปสักวันสองวันนั้นแหละ แล้วที่เหลือก็จะไปวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นอย่างเงี้ยไปที่นั่นที่นี่ที่โน่นอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เป็นเป็นวาระซ่อนแฝงของเราอ๋อคือคือหมายว่าเราต้องการไปที่อื่นแต่เราไม่พูดอย่างเงี้ยเรามีเรื่องซ่อน อ, อยู่ในใจครับอ่าครั บ, รบแต่สิ่งที่ท่านจับได้ไปที่คือก็ไปวัดก็อยู่ในแนวทางแห่งธรรมแบบว่าก็ไม่ได้ผิดวินัยอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อตรงนี้เราต้องแยกประเด็นนิดนึง คือหมายควว่าถ้าพูดถึงเรื่องการมีวัลลัสรอนแฝงใช่ไหมวัลลัส่อนเรนกับการพูดโกหกเนี่ยมันไม่เหมือนกันอือออย่างสมมุติถ้าอาตมาบอกหลวงหลวงพ่อบอกว่าเอ้ยเราจะไม่ไปล่ะเราจะไม่ไปที่อื่นเลยเราจะไปบ้านอย่างเดียวแต่ปรากฏเราไปที่อื่นอันนี้เป็นมูสาอ๋อใช่ครับอ่านี้คือเราบอกว่าเราจะไม่ไปแต่เราไปอย่างเงี้ยนะคือเราบอกว่าเราจะไม่พูดแต่เราพูดเราบอกว่าเราไม่เห็นแต่เราเห็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็นการการเกหกใช่ไหมแต่อันนี้เราบอกว่าเราบอกไม่หมดอ่ะ คือการบอกไม่หมดเนี่ยไม่ใช่มูสาแน่ใช่ไหมครับเออแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเราจะจะไม่ไปแต่เราไปอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะไปนะแต่เราก็ยังไปอย่างเงี้ยแต่เราคิดอยู่ในใจว่าเราจะไปแต่มันนั่นคือวาระซ่อนแฝงซ่อนเร้นอยู่ในใจของเรานเพราะเรารู้ว่าเอ๊ะมันมันมีเนี่ยเราต้องรีกเอาออกเลยคือหมายว่าเราพยายามแก้ไขจิตเราให้มันดีขึ้นนะนะปฏิบัติมาปฏิบัติมา ทีนี้มาแล้ซ่อนแฝงนี่ยังมีอย่างอื่นอีกอย่างสมัยก่อนแรกๆนะเราก็จะยุ่งยากเรื่องปากท้องมากเลยความเป็นพระเนี่ยแต่บางทีเรามอยากกินอต่นี้ไม่ได้กินอาหารที่เอามามันต้องกินตอนร้อนพอกว่าจะเข็นเสร็จไปเกณฑ์เสร็จอะไรเสร็จมันเย็นซะแล้วอาหารที่ต้องกินเย็นๆพอกว่าจะเข็นเสร็จอะไรเสร็จมันหายเย็นซะแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีความยุ่งยากเรื่องปากท้องแรกๆนะพระที่ยังไม่คุ้นเคยก็จะมีปัญหานี้ก็ต้องฝึกจิตใช่ไหม ที<ใ>นี้บางทีเรามีโอกาสไปข้างนอกเงี้ยเห็นนั่นนี่เห็นนน น, นี่โอ๊ยอันนี้ก็อยากกินนั้นก็อยากกินแต่แต่เราอยากกินนี่เพราะเราเราไม่ได้บอกว่าเราอยากกินแต่เราจะไปบอกว่าเออนี่ซื้อฝากครูบาอาจารย์สิอันนี้ซื้อฝากคนนั้นสินซื้อฝากคนนั้นคนนี้เราก็ได้กินด้วยอย่างเงีนะ้ย<อ> <laughs> ซึ่งอันนี้เป็นวาระซ่อน <laughs> แฝงของเราไง อ, อย่างเราบอกเอาซื้อฝากทุเรียนซื้อทุเรียนฝากหลวงพ่อสิฝากคนนั้นสิแต่ว่าเราก็อยากกินทุเรียนแฮ่อย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้พูดตรงนี้ก็คือเป็นวาระซ่อนแฝงเรา ครับอืมอ่าตรงตรงนี้เลยต้องต้องพูดให้ฟังว่าถ้าเรามีมารยานะมีอย่างนี้มากเนี่ยเราจะบรรลุช้าอ๋อบรรลุช า, อ, ชาอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะว่าพุทธปัจนะที่บอกว่ามาเถิดบุคคลที่เป็นวินยูชนใช่ไหมไม่มีมารยาใช่ไหมใช่ครับเออมีสัญชาติอย่างคนตรงนะคนที่เป็นวินยูชนไม่มีมารยามีสัญชาติอย่างคนตรงเนี่ยพระเจ้าบอกเลยเมื่อเราบอกสอนอยู่พร่ำ ส, สอนอยู่แสดงทำอยู่ เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนจะทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานได้ไล่ตั้งแต่7ปีนะหมอระบงใช่ครับลดลงมาลดลงมา3ปี2ปนะีลดลงมาลดลงมา7เดือน3เดือน2เดือนลดลงมาลดลงมาเจ็ดวันสาวันสองันหรื อ, อ, อแสดงทําเดี๋ยวนี้บรรลุเดี๋ยวนี้ก็มีโอใช่ครับนะแสดงว่าถ้าคุณยิ่งเป็นวินยูชนมากเป็นคนไม่มีมารยามากเป็นคนตรงมากเท่าไหร่นะอัตราการรวดเร็วในการที่เราจะบรรลุเนี่ยมันจะได้มากขึ้นรวดเร็วขึ้นใช่ได้มากขึ้น ได้ได้เร็วมากขึ้นที่นี้อย่างวาระซ่อนแฝงอื่นๆอีกเนี่ยนะอย่างเช่นในครอบครัวเราเจอกันอยู่เป็นประจำืออั น, นี้จะเพิ่มเติมไม่ฟังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นว่าสามีภรรยาในครอบครัวอย่างเงี้ยสามีไม่พอใจภรรยาเรื่องหนึ่งก็ดันไปไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ว่าทาความไม่พอใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้ย ค, คือบางทีโดยเฉพาะอย่างิภรรยาเนี่ยนะ ไม่พอใจสามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเงี้ยภรรยาก็ไปปูดออกตรงนั้นตรงนี้อ้าวเธอทําไมเป็นอย่างนี้เป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเจออยู่เป็นประจำแต่มีอะไรนะแตที่ว่าในใจมีเออนั่นนะเราก็ต้องคอยระวังไม่งั้นจะประคอบประกองครอบครัวไปไม่ได้โอครับหรือบางทีคนไข้อ่ะหมอนี่จะเจอประจําเนาะคนไข้เนี่ยไม่บอกอาการทั้งหมดเออใช่ครับมีวาระซ่อนแฝงมากบางคนไข่บางคนจริงครับสอน บางทีบอกอันนี้คุณไปกินทัฟฟี่มาไหมอืมไม่ปวดอย่างไม่ได้กินหรืออย่างงี้นะไม่ได้กินหรือว่าไไม่ด้กินอืมแต่ก่อนหน้านี้ไม่ทราบครับเพราะนั้นเราก็ทําให้การวินิจฉัยโรคบางอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ยากคอ่ามีวาระซ่อนเร้นคุณแพ้ยาอะไรไหมไม่แพ้แต่จริงแพ้อย่างเงี้ยนะจริงครับท่านอันนี้เป็นปัญหามากเลยโดยเฉพาะโรคประจําตัวถามว่ามีโรคประจําตัวไหมบางคนคือ ถ้าบอกเนี่ยเราอาจจะต้องวันนั้นเนี่ยคืออาจจะทำไม่ได้สยชาไม่ได้แล้วก็คือรักษ า, ามไม่ได้เขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรให้ทำาพราะมันพอรีบไปไงนะใช่ครับเสียงมากเลยครับเหมือนโอ้โหขาข้างหนึ่งไปอยู่ในคุกตารางเราคุยกันในวงการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงวาระสอนแตนเนี่ยถ้ามีในตัวเราเราต้องรีบบอกออกครับถ้ามีในตัวเราต้องรีบบอกออก นอกจากนี้ยังรวมถึงเวลาที่สมมุติตัวธรรมาเองเนี่ยนะถ้าเราไปมีคนมาที่วันไปแสดงธรรมถ้าเราคิดว่าเราจะไปแสดงธรรมเพราะว่าเออเราอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแสดงธรรมเนี่ยเพราะว่าเพื่อประโยชน์ในการแสดงธรรมใช่ไหม<ช>คนคมากคนน้อยเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้ไม่ได้แคร์อะไระ mm hmm. คนเดียวก็ยังจะไปนะไปสุดท้ายไปได้5คนอย่างเงี้ยก็ยังไปแต่ถ้าธารมะไปแสดงธรรมเพราะว่าเออต้องการคนไปคนเยอะๆเพราะว่าเราต้องการชื่อเสียง แต่จริงเราพูดแค่ว่าเออเพื่อจะได้ให้หลายคนได้ประโยชน์ ค, คือในจิตเราเราต้องการชื่อเสียงแต่เราไปเนี่ยเพื่อที่ออด้วยปากพูดว่าต้องการให้ได้หลายๆคนได้ประโยชน์จริงๆไป ห, หลายหคนมันก็ได้ประโยชน์ก็ดีนะใช่ครับ อ, อ่ทีนี้แต่ถ้าในใจเราต้องการชื่อเสียงอันนี้จะเป็น hidden agenda ของเราเป็นเวลาซ่อนแฝงของเราอืออหรือ <Okay. S 1> ถ้าถ้าในกรีตรงข้ามว่าถ้าเราไปแสดงทําด้วยความว่าแม้เราไม่อยากตอบคําถามเลยคําถามบางทีมันกวนๆหรือคําถามมันตอบยากเนี้ย เราก็จะไปแสดงทําคนน้อยๆอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเออไปคนน้อยๆดีกว่าจะได้ไม่วุ่นวายอย่างเงี้ยในการพูดตรงนี้ก็จะเป็นวาระซ่อนแฝงของเราครับอืมตัววาระซ่อนแฝงนี่ถ้าเทียบในกลุ่มของสัมมาวาจานี่จะเข้าข่ายตัวไหนไหมครับมามีผิดสัมมาตัวไหนไหมครับจริงๆบอกบอกไม่หมดนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่มิฉาวาจาอยู่แล้ว ไม่ไม่เข้ากลุ่มนะครับคือคือจริงถ้าเราจะพูดขุดรากลงไปเนี่ยนะมันก็จะมีรากมาจากราคะโทสะโมหะรากมาจากอภิชาทีนี้ที่พระเจ้าแบ่งราคะโทสะโมหะออกมาเนี่ยเพื่อให้รู้เง่าหัวรากของมันแตเวลามันฟอร์มตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอาการต่างๆเลยเหมอละพงศ์เช่นว่ามีมารยาความอักตันยูความไม่รู้คุณท่านความมีมิจฉาทิ่ทีความที่อ่า คิดล้างผลาญพวกนี้เป็นราคะโทสะโมหะเนี่ยผสมกันอยู่ในนี้หมดออืด้วยสัดส่วนไม่เท่ากันด้วยภาษาไม่เหมือนกันก็ทําให้มันออกมาเป็นรูปลักษณะของมีความมีมัญญาความไม่เป็นคนตรงความเป็นคนอกตันอยู่อย่างนี้เป็นต้นอืเนะอืะ <c oughs> เหมือนอาการเสดงออกมาจะเป็นแบบแบบที่ท่านใช่ใช่แล้ขุดขุดลงไปเจอเจองไปก็จะราคะโทสะโมหะละอืมใช่รากเงามันทีนี้ที่หมอรุ่งพงไฮไลท์ตรงนี้มาดีมากเพราะว่าเราต้องแยกแยะประเด็นนะคือบางที อย่างถ้าพ่อแม่อย่างเงี้ยชวนลูกไปกินข้าวที่ร ง, รงหนังห้างสิรพสินค้านะคแต่รู้แล้ววันนี้จะมีพระปเทศที่ห้างสิรพสินค้าเราด้วย<อ>จิตใจเบื้องลึกนะคิดเลื่อนจาเจนดาที่ว่าจะชวนลูกไปฟังธรรมด้วยเป็นกุศ โ, โลบายเป็นกุศ โ, โลบายเราต้องเรียกอันนี้ว่ากุศ โ, โลบายนะครับคือมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะตรงที่ว่าความมีมารยาเนี่ยเป็นไปเพื่ อ, อกุศลธรรมที่มันจะพอกพูน แต่กุศโลบายเนี่ยจะเป็นไปเพื่อกุศลธรรมที่เหมือนมากขึ้นนะคืออย่างตัวอย่างสองกรณีนะคือลูกบอกพ่อแม่ว่าเออจะไปทำรายงานบ้านเพื่อนนะแต่ว่าก็ในใจคิดว่าเออจะไปเล่นเกมซะก่อนนะไปเล่นเกมบ้านเพื่อนมีอะไรล่ะ Xbox ออกมาใหม่จะขอไปเล่นเกมบ้านเพื่อนแต่ว่าก็คือจะเอารายงานไปทำด้วยเล่นเกมซะก่อนสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ทำรายงานที่เหลือทั้งวันอย่างเงี้ย แต่ตรงนี้ไม่ได้บอกอันนี้มีฮิดเด้นจนด้าลอะมีวาระซ่อนแฝงมีมายาแล้วนะตอนแฝงใช่ครับในกรณีเดียวกันนี้ถ้าพ่อแม่ชวนลูกไปกินข้าวที่ห้างสับสินค้าด้วยความคิดที่ว่าอาจจะชวนลูกไปฟังธรรมแล้วก็โดยการบอกว่าไปกินข้าวกันอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกุศโลบายเพราะว่าอะไรเพราะว่ากุศลธรรมจะเกิดขึ้นในคนทั้งสองลูกก็จะได้กุศลธรรมด้วยตัวพ่อแม่ก็จะมีจิตที่เป็นกุศลธรรมด้วย ครับทีนี้อย่างตัวลูกเนี้ยตัวลูกเนี่ยบางทีไปคิดว่าเฮ้ยถ้าเราบอกพ่อแม่จริงๆตรงๆว่าเราจะเราจะไปเล่น Xbox อย่างเงี้ยพ่อแม่อาจจะไม่ให้ไปหรือพ่อ<ช>แม่อาจจะมีจิตที่เป็นอกุศลถ้างั้นเราไม่บอกดีกว่าลูกอาจจะคิดแค่นี้แต่ว่าลูกคิดสั้นไปตรงที่ว่าอพ่อแม่เท่านั้นเองที่จะมีจิตเป็นกุศลเพราะว่าไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับแต่อกุศลนี่เกิดขึ้นที่ตัวเองเพราะตัวเองเสพกามเสพความสุขที่เกิดจากตาหูครใช่ไหม ทีนี้ไอ้ความเขาเรียกว่าไฟล์ไลน์เส้นบางๆนิดเดียวนี้นะมันแบ่งกันเนี่ยในระหว่างมายาความมีมารยากับความเป็นกุศโลบายหรือโกหกกับการบอกไม่หมดอย่างเงี้ยหรือว่าการพูดยุยงให้แตกกันการไปพูดล็อบบี้อย่างเงี้ยหรือการพูดม t ติเวชันคือม t ติเว e ให้คนมีกำลังใจขึ้นมาหรือไซโคให้เขาเสื่อมเสียลงไปเหมือนกันเลยนะหรือการเิ่งโทษกับการชี้โทษพวกนี้สาี่คู่ที่พูดมาเนี่ย มันแบ่งกันด้วยเส้นบางๆท่านนี่เองจริงครับท่านมันบางเฉียบเลยบางเสียบบางบางทีเราไปทําอะไรอย่างแยบคายมีกุศโลบายอย่างนี้เขาบอกคนคุณมีมารยาบางทีเราไม่ได้พูดไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดเขาบอกคุณโกหกบางทีเราไปพูดลอบบี้เขาบอกว่าคุณไปพูดเสี่ยมบางทีเราไปพูดให้เขามีกําลังใจเขาบอกคุณไปไซโคบางทีเราไปชี้โทษให้เขาแก้ไขเขาบอกเรามาเพ่งโทษอย่างนี้ อ๋อมันมีเส้นบางๆแบ่งอยู่จริงๆครับเส้นบางๆเส้นบางๆตรงนี้คืออะไรก็คือความที่เป็นกุศลในทั้ง2ฝ่ายหรือความที่เป็นอกุศลในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนัะคือหมายความว่าส่วนที่เป็นมารยาเป็นการโกหกเป็นการพูดเสี่ยมเป็นการพูดไซโกเป็นการชี้โทษพวกเนี้ยนะจะทําให้อกุศลธรรมเกิดในบางส่วนนะจะถ้าไม่เกิดในเราก็ไปเกิดในเขาหรือเกิดทั้ง2ฝ่ายอ๋ออย่างกรณีของแม่ ชวนลูกไปดูหนังใช่ไหมกุศลธรรมเกิดทั้งสองฝ่ายนะลูกก็จะไม่มีขัดเคืองจิตขัดเคืองว่าฉันไม่ไปหรอกไปฟังเทศฉันไม่ไปหรือพ่อแม่ก็ไม่ได้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นว่าฉันพูดโกหกเพราะตัวเองบอกความจริงไม่หมดอย่างนี้นะก็กินข้าวอยู่แต่ฟังทําด้วยอในห้างสรรพสินค้าในขณะที่ถ้าลูกจะขอไปเล่น Xbox ซ์บอก็คิดว่าเอยแม่จะได้จิตไม่เป็นอกุศลคิดว่าฉันไปเกย์อะไก็ไม่พูดตรงนี้ซะอันนี้ก็จิตแม่เป็นกุศลอยู่ แต่จิตตัวเองเป็นอกุศลนิดนึงตัวเองยังไม่ทราบอย่างเงี้ยอ <Them> ือ่าก็เลยจะต้องแบ่งแยกตรงนี้ว <systematic my story> <t ie ridiculous> ่าเออเส้นแบ่งคืออะไรคือสิ่งจิตที่เป็นกุศลทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายคือไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นผู้อื่นครับตัวเราก็ไม่โกหกด้วยนะแล้วจิตเขาก็เป็นอกุศลเออเป็นกุศลด้วยต้องแบ่งกันอย่างนี้ครับก็คือถ้าเป็นไปได้ให้ดีที่สุดก็คือให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ความเป็นกุศลใช่ไหมครับ แล้วก็ไม่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและก<า><ม>ันถูกต้องตรงนั้นจะจะเรียกว่าอะไรตอนนั้นก็จะเรียกว่าการกระทําอย่างนี้นเรียกว่าเป็นกุศลบายบเป็นการออาจจะไม่บอกความจริงทั้งหมดในการพูดล็อบบี้เป็นการพูดให้มีกําลังใจเป็นกา ร, ร, กการอาชี้โทษให้ออกจากความผิดเป็นตนน้นอืมครับครับ อ, อันนี้ต้องใช้เทคนิคศิลปะและปัญญาอย่างดีเลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้หมอรุ่งพงศ์เพราะว่าเพราะว่าอย่างเช่นเวลา คนบางคนเนี่ยตรัสรู้ธรรมเนี่ยแต่ว่าไม่มีความสามารถในการแสดงธรรมใช่ไหมใช่ครับคนบางคนตรัสรู้ธรรมก็มีความสามารถในการบอกสอนด้วยอืเพราะฉะนั้นความสามารถตรงในเรื่องการกระทําตรงนี้ก็จะไม่เท่ากันแม้จิตจะบริสุทธิ์เหมือนกันนะนี่พูดถึงระดับความเป็นพระอรหันต์เลยก็ได้ครับเสมอการที่วิมุตติเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ก็ผู้ที่จะเยี่ยมยอดในเรื่องนี้ที่สุดก็มีตัวอย่างคือพระพุทธเจ้ารองรองลงมาที่พุทเจ้ายกย่องก็มีพระสารีบุตร มีคนอื่นๆต่างๆที่มีความสามารถแตกต่างกันไปส่วนระดับพวกเราก็ต้องพัฒนาต่อไปใช่ใช่ใช่ในเรื่องจิตเราพัฒนากรในเรื่องความสามารถนอกๆเราก็ค่อยพัฒนาตามๆไปอีกประการหนึ่งที่ต้องการถามหมอธัชพงศ์ในวันนี้ในมีคำถามอยู่สองข้อคำถามข้อแรกก็คือว่าเวลาที่หมอธัชพงศ์ไปห้องน้าเนี่ยหมอธัชพง์เคยไปห้องน้ำใช่ ครับทุกวันครับเอ่อตอนนี้หมอรพงศ์ก็เชิญชวนคนที่จะสร้างห้องสุขาอยู่ครับเพื่อให้เป็นประโยชน์สาธุด้วยเอ่อก็เวลาเราไปห้องน้ําไปถ่ายอุจชาอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราบูจาระออกมาเนี่ยขอโทษเถิดคือเราจะต้องหมอรพงศ์ทำยังไงบูชาใช่ไหมครับออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วก็กดน้ําล้างมันให้เรียบร้อยถูกไหมใช่ครับถ้าห้องน้ํามีความโศกบกได้เกิดขึ้นเราก็รีบล้างรีบเช็ดใช่ครับคือคือเราจะไม่เอ่อแล้วอราเราออกมาข้างนอกแล้วเนี่ย เราก็จะไม่พูดถึงละว่าเราเราไปห้องน้าถ่ายมานะหรือไม่มาไม่มาเที่ยวบอกคนอื่นว่าวันนี้ฉันออกมามีน้ำหนักกี่กรัมสีอะไรมีกลิ่นเป็นยังไงเอาตัวอย่างแซมเปิลมาให้เธอดูด้วยนะมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่เราจะรีบรางรีบเช็ดเก็บให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เพ่นออกมานะที่ที่อาตมาถามตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็น commonsense เป็น เขาใช้คําว่าอะไรคำมันเซนสมารบบ์ตมุ่งสามัญสำน็จสามัญสำนึก น, น, นะใครๆครก็ ก, ก็ก็รู้ได้ว่าเออเราอุจจาระออกมาแล้วเราต้องรีบล้างรีบเช็ดอย่าเอามาเที่ยวเปิดให้ดูมาเปิดดมเปิดดูไม่ไม่ทำอย่างนั้นนะอันนี้ถ้ามากําลณีพูดถึงว่าความที่ตัวเราเนี่ยไม่ดีเช่นความมีมารยาของเราเองนะความชั่วช้าลามกของตัวเราเนี่ยเรารู้ปุ๊บเรารีบแก้ไขรีบทําให้ดีกันคื อ, ค, อคืออยากให้มันออกมาเอามาเที่ยวเปิดเผยโดยไม่ต้องยิ่งความไม่ดีของคนอื่นนะ คือ <c ười> ถ้าเราเอาความไม่ดีของคนอื่นมาพูดเนี่ยโหเหมือนกับว่าเอาเอ า, เอาสิ่งที่ไม่ดีไม่น่าดมไม่น่าดูไม่น่ามองเนี่ยมาเปิดเผยเปิดดูเปิดป ด, ป ด, ป ด, ดมอยู่ได้มันจะไม่เหมาะสมมันจะไม่ถูกครับนะคือคือเราไล like ่จากตัวเร า, า <c oughs> เองก่อนนะคือสมมุติเรามีความชั่วช้าละมกที่ไม่ดีนะเราผู้วิชาให้ทำยังไงให้ประกาศความผิดของตัวเองออกมานะคือการประกาศความผิดของตัวเองออกมาเนี่ยคือการที่เราไปห้องน้ําแล้วก็รีบถ่ายออกล้างออกนะครับ คืออย่าในระบบพระเนี่ยถ้าเรามีการทําความผิดนะเราต้องยิ่งไปปลงอาบัติด้วยการไปประกาศความผิดของตัวเราเองกับเพื่อนผู้ประพฤติประมาจันอ๋อกับหมู่คณะใช่ใช่สมมติอาตมา บ, บี้ยุง3าตัวนนเรารต้องไปบอกเพื่อนเลยโอ้วันนี้ฉันบี้ยุง3าตัวฉันทำไม่ดีเลยเขาจะเอาเธอมีสติหรืรเอเปล่าตอนที่ล้างยาทำนะอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะนี้คือเรารีบล้างออกนะแล้วในขณะเดียวกันเจ้าเจ้จะเปรียบเทียบกรณีไปห้องน้ำเนี่ยคือการที่เราเอา ของเหม็นๆออกมาโชว์นอกห้องน้ําเนี่ยนะก็คือการที่เราเอาความอชั่วความชั่วความไม่ดีเนี่ยเอามาเปิดเผยให้คนอื่นดูนะคือบางเรื่องบางอาบัตเนี่ยเราก็เป็นระบบห้องน้ําคือในพระเนี่ยนะก็จะมีระบบการประพฤติพรหมจรรย์ที่ว่าคุณประกาศอาบัตตรงนี้แล้วก็คือจบคือจบละไม่ต้องเอาไปเที่ยวพูดความไม่ดีของตัวเองให้คนอื่นเขาฟังอครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวก็พอละอ่าแล้วเราก็พยายามแก้ไข แตถ้าคุณยังมีอีกก็ไปแก้ไขอีกไปห้องน้ําอยู่เรื่อยๆไปห้องน้ำอยู่เรื่อยๆนะแต่การที่เอาของไม่ดีออกมาห้องน้ําข้างนอกอย่างเงี้ยนะมันก็เหมือนกับเอาความไม่ดีของคนอื่นมาเปิดเผยเข้าใจไหมคืออุจนะตัวเองเนี่ยเราไม่ออกมาดูแต่อุจาระคนอื่นเนี่ยเรายิ่งจะชี้ให้คนอื่นมาดูสมมติคนอื่นมาทําห้องน้ําเลอะเทอเอาไว้เราเช็ดคุณไม่มาดูสิเรียกเนนมาดูอย่างเงี้ยมาเนรมาล้างทําไมใครมาทําไว้พยายามจะสืบหาหาคนอื่นนะครับแต่พออุจานะของตัวเองนี่รีบล้างรีบเช็ดเก็บให้ดี ใช่ไหมแต่พออุจจาระคนอื่นมาทำเลอะเทอะไว้ในห้องน้ําอย่างเงี้ยเรากลับชี้คนอื่นมาดูมาดูอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนประจานอ่ามันประจานก็คือจะเข้าขายว่าพอความผิดของคนอื่นเนี่ยเรายชี้ให้คนอื่นมาดูแต่ความผิดของตัวเองตัวเองกลับล้างเช็ดเก็บให้เรียบร้อยอืมอันนี้จะไม่ถูกไงจะจะสอดคล้องอ่าแล้วจริงๆต้องยังไงครับจะจะสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือว่าเอ่อพอเราเรื่องไม่ดีของตัวเองเนี่ยเราประกาศออกมาใช่ไหมคือล้างละ ถ่ายออกมาแล้วไม่ได้เก็บไว้ในท้องไม่ได้หอเก็บไว้ในกระเป๋าด้วยนนัคือเราทิ้งไปเลยนนี่คือการประกาศความผิดของตัวเองออกมาในเรื่องความไม่ดีของคนอื่นสมมุติคนอื่นเขามาถ่ายทิ้งไว้แล้วเขาไม่ได้เก็บให้เรียบร้อยถ้าเราจะชวนคนอื่นมาดูเนี่ยก็คือการที่เอาข้อไม่ดีของคนอื่นมาพูดเปิดเผยให้ปรากฏอืเอาข้อไม่ดีของคนอื่นมาพูดเปิดเผยให้ปรากฏนะครับเอาข้อไม่ดีของคนอื่นมาพดเปิดเผยให้ปรากฏคือคนอื่นถ่ายเอาไว้ไม่เรียบร้อยคุณเอามาชี้ให้เขาดู มาคือสาวใช้ให้กากินสาวใช้คนอื่นให้กากรินหรือว่าชวนคนอื่นมาดูห้องน้ําที่เลอะเทอะที่คนอื่นก็าทำเอาไว้อันนี้จะไม่ถูกสิ่งที่เราทควรทำคืออะไรก็คือล้างซะอคือบางทีเราไปห้องน้ําเนี่ยเราเห็นคนอื่นทําเลอะเทอะเอาไว้เนี่ยนะถ้าเราเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยเรารีบล้างรีบแก้ไขออืคือคือตรงนี้ต้องต้องยกตัวอย่างที่พระเจ้าได้ได้เกิดขึ้นตอนที่ตอนนั้นยังเป็นโพลิสัตอยู่ คือพระงคเนี่ยเห็นนางสนมในในวังเนี่ยเห็นคนอื่นแก่ตัวเองยังเป็นสาวๆอยู่นะเห็นคนอื่นแก่แก่เสร็จปุ๊บก็เลยมาคิดว่าว่าดูสี่คนนี้เนี่ยพูดกับคนที่สาวๆด้วยกันเนี่ยนะโหดูสี่ยแก่คนนี้นะฟันหลุดผมหงอกตัวงงเงินเงินตัวเป็นยานเออจุดตกกระแล้วก็เดินตัวสั่นเทิอมอีน่าเกลียดคือไม่ชอบพระเช้าก็มาเห็นดูว่า ทำไมคนนี้เขาเขาคิดอย่างนี้เนาะซึ่งตัวเองก็ยังเป็นคนแก่เนี่ยนะจะต้องแก่เป็นธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งกับความแก่ของตัวเองตัวเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วทําไมไปรังเกียจเขาฮะแต่ถ้าตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นแล้วตัวเองยังไปรังเกียจเขาเนี่ยตัวคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะจริงคือหมายว่าคุณเห็นปัญหา <น noon. S 2> แล้วคุณจะต้องเจอปัญหานั้นแต่คุณไม่แก้ไขคุณยังพูดไม่ดีไปด่าเขาเอางอย่างเงี้ยอันนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแน่นอน S <S <S นะตอนนั้นโพธิสัตว์ทถือเจ้าใจสินตถอยู่ในวังเนี่ยก็มีความคิดว่าโอ้ยเราไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเราไปหาทางแก้ปัญหาดีกว่าเพราะว่าตัวเราก็จะต้องเป็นตัวเดินตัวสั่นเทิม่มงกงเงินเงินมีผมหงอกมีฟันหลุดมีหนังเหี่ยวอย่างเงี้ยไอเรารออกไปหาวิธีที่จะแก้จากความแก่ดีกว่าอืมจิงก็จึงไปออกบวชนั่นนีคือเป็นตัวอย่างที่ว่าไอถ้าคุณเห็นปัญหานะคุณต้องรีบแก้เลยะถ้าคุณเห็นปัญหาแล้วคุณไม่แก้ไขคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา อย่างถ้าเราไปห้องน้ําคุณเห็นห้องน้ามันทําเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้ว อ, ว, อวิธีทำที่ดีที่สุดก็คือเราแก้เลยเราล้างเลยใช่ครับใ ช, ใช่ครับถูกต้องแต่ถ้าคุณออกมาข้างนอกแล้วคุณก็ยังพูดว่าโอ้ยห้องน้ําเป็นอย่างงี้บนว่ายฟังเนี่ยคือคุณเห็นปัญหาแล้วคุณไม่แก้ปัญหาคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะอืมครับ<อ>ใช่ใเพ<ๆ>ราะห้องน้ําก็ไม่ได้สะอาดขึ้นก็ยังเลอะเหมือนเดิมใช่เพราะฉะนั้นเราเห็นปัญหาปุ๊บการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือการที่อาจจะประชุมปรึกษาการเอากําหนดระเบียบขั้นตอนวิธีกาาาารทํงนนขึ้ม แต่ไม่ด่าว่านะครับอ่าอาจจะตัวเองอาจจะล้างเองเลยถ้ามีเวลาก็ทําเลยอันนี้ก็จะปัญหาก็จะระงับไปเลยอืใช่ครับไม่เห็นว่าเป็นปัญหาเป็นอธิกรณ์ใดๆอย่างสิ้นคือปัญหาเนี่ยคือเป็นลักษณะข้อข่ายของอธิกรณ์นะออธิกรณ์พระอย่างสหรับพระเนี่ยคือเป็นอธิกรณ์ที่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีการระงับในห้องน้ำไม่สะอาดเรื่องระงับทําไงเอคือเราแก้เองเลยก็ได้ก็คือทำตามที่มันมีปัญหา หรือว่าเราประชุมปรึกษากันเอาคนที่เกี่ยวข้องมาอาเจ้าหน้าที่วัดมาเจ้าวาดมาเนนมาพระมามาประชุมกันว่าเราจะจัดตารางเวลายอย่างไงอันนี้ก็เป็นการประชุมปรึกษาพร้อมหน้ากันได้อันนี้ก็เป็นการระ ง, งับอธิกรณ์ไปการด่าว่าเนี่ยไม่อยู่ในวิธีการระ ง, งับอธิกรณ์ที่พระเจ้าประกาศไว้ถ้าเราจะไปเทียเ่ยวเบล์มเที่ยวชี้หน้าคนนู้นว่าเฮ้ยเธอผิดเธอผิดเธอผิดคือตัวเองก็ไม่ได้ผิดอยู่แล้วนะคือตัวเองไม่ได้ทำใช่ไหมแต่เราไปชีว้ว่าคนนู้นผิดคนนี้ผิดคนนั้นผิดเนี่ยอันนี้เท่ากับว่าเราทําไม่ถูก แต่เป็นการชี้การเพ่งโทษอืมเพ่งโทษถ้าเราเห็นว่าเป็นอธิการคุณต้องเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาแล้วมาประชุมปรึกษากันแต่อย่าไปเที่ยวด่าใครการด่าใครเนี่ยไม่ใช่เป็นการดารังก์อธิกรารมันเป็นการ<อ>เป็นการเข้าขายว่าคุณต้องการดับปัญหานี้ด้วยการสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาออ ม, มันจะไม่แต ด, ดว่ า, า اب, ใชเพราะ ก, การแต่ว่าเป็นการสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแต่คุณเพื่อที่จะสร้างปัญหาใหม่มาเพื่อกลบปัญหานี้มันไม่ถูกอ่ะครับอคืออย่างเช่นว่าพระเจ้าบอกว่า คุณต้องการหลุดออกจากภพด้วยการไปที่วิภพอันนี้มันไม่ได้นะหรือหรือพูดอย่างนี้บางคนบอกว่าต้องการไปหาที่ว่างๆความว่างในที่แคบๆหรือต้องการไปหาที่ที่ไม่มีอะไรคือคําพูดมันก็ผิดแล้วในที่แคบๆมันจะมีที่ว่างได้ไงหรือว่าในที่ที่มันไม่มีอะไรมันจะไปถ้ามันมีที่อยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรได้ไงมันจะไม่มีอะไรได้มันต้องมีอะไรถูกไหม แล้รพระเจ้าจึงการตรงนี้ไว้ด้วยการพูดถึงวิภพวิภพเนี่ยพระพุทธเจ้าแถลงนี้บอกว่าเรากล่าวการหลุดพ้นจากภพมีได้เพราะวิภพไม่มีไม่ได้นะคือเราไม่กล่าวการหลุดพ้นจากภพมีได้เพราะวิภพวิภพก็คือการทําตรงข้ามกับภพบสมมติเราต้องการจะหวังนิพพานอย่างเงี้ยครับเราไม่ต้องการไปเกิดในที่ไหนเลยเราก็ทรงจิตเอาไว้ในการที่ไม่ไปเกิดในที่ไหนเลยโอ้นนี้คุณคุณเป็นวิภพนะอืมเป็นวิภพนะ เป็นวิภพก็คือยังไม่หลุดพ้นจากภพอ่ะคือคุณปรารถนาความไม่มีเอาแต่คุณยังมีความปรารถนาอยู่อ่าไม่ได้ออเข้าใจไหมเหมือนเหมือนอยากอยากที่จะไม่ผพานอ่าอยากที่จะไม่อยากอ่ะอยากที่จะไม่มีไม่เป็นอ่ะวิภพคืออย่างนี้นะพบคือการสุดโต่งอีกประการหนึ่งใช่ไหมครับคือยังไม่ได้ทางสายฝากเนี่ยอืมครับนะการอยากมีอยากเป็นอันนี้คือเป็นภพการอยากที่จะไม่มีไม่เป็นอันนี้คือวิภพ เพราะงั้นการที่เราจะระ ง, งับปัญหาด้วยการสร้างปัญหาอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมาอันนี้เป็นวิภพแน่นอน อ, อันนี้ไม่ถูก<ช>หรือว่าตัวเราเองถ้าเปรียบเทียบกับตัวเราเองนะคือเร า, เาทําความไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราพยายามหาอย่างอื่นนะมามากลบอันนี้ก็คือการเป็นวิภพคือเราเก็บปัญหาวิชาของตัวเองเอาไว้แล้วก็สร้างอันอื่นๆขึ้นมาเพื่อที่จะปกปิดยังไงปัญหาร่างเง่ามันก็ยังอยู่อยู่ดี ใช่คือคือเหมือนกับว่าคุณปวดอุจจาระแล้วไม่ไปถ่ายอุจจาระนะแต่พยายามที่จะอกินเขาเรียกว่าอะไรกินอะไรที่มันเบาๆนะกินอะไรที่มันไม่มีกากแต่ก็ยังปวดอุจจาระอยู่นั่นเองเข้าใจไหมเพราะว่ากินอะไรที่มันไม่มีกากเพื่อที่จะให้มันไม่มีอุจจาระนะอย่างเช่นว่าอะไรเข้าต้มอย่างเช่นว่าอาหารที่มันไม่มีกากเป็นต้นนะไม่ใช่พวกผักผลไม้พวกนี้ยครับแต่อุจจาระยังไม่ได้ออกไปมันก็ยังปวดอยู่นนัััั่่่่เอองงกก็ยไไมมสาาาารรรถทีแ้้ปหดคบืว เราต้องการไปแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำแต่คุณไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ล้างแต่ว่าไปด่าว่านะไม่ร่วมกันแก้ไขแต่มาด่าว่า <cas> ก็คือการที่เก็บอกุศนเอาไว้นะแล้วหาทางแก้อกุศลด้วยการที่ทําอคุทำอกุสนให้เกิดขึ้นเอ้ยมันมันไม่ได้มันคือวิภพครับมันคือวิภ พ, พเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวการหลุดพ้นออกจากปัญหาเนี่ยด้วยการที่ทําให้อีกปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าการที่สร้างอากุศลอันใหมเ่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้จะเข้าข่ายเป็นวิภพ ครับอ๋อเข้าใจครับ <unhappy> อืมดังนั้นกลับกลับมาที่ตัวอย่างที่ว่าพอเราเจอความไม่ดีใช่ไหมใช่ครับ <şey cre u> เราก็สร้างความดีขึ้นมาแทนโดยการที่ล้างหรือประชุมปรึกษากันตั้งนับอธิการตามระบบที่พระพเจ้าบอกสอนอ๋อครับคือ ถ, ถ้าถ้าเราเห็นว่าเป็นปัญหานะคุณก็แก้ปัญหาตามระบบการด่าว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาการแก้ปัญหาตามระบบคืออะไรอาเช่นประชุมปรึกษากันหรือว่าเราทําให้มันสับเซ็ตสิ้นไปเลยได้ทั้งสิ้น ครับจริงครับขอทบมโนตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคือคที่จะมายกตัวอย่างการไปห้องน้ำเนี่ยการไปห้องสุ ข, ขาเนี่ยก็คือว่าตัวเรามีความไม่ดีเรารีบเอาออกในด้วยการไประบบห้องน้ำํำนะอย่าไปถ่ายเรี่ยราดนะถ้ายกตัวอย่างที่ที่มันไม่มีห้องน้ําอย่างเงี้ยนะถ้าเราเคยไปอย่างเช่นอินเดียในอินเดียมันไม่ค่อยมีห้องน้ำห้องน้ําหายากมากสมมติเราเคยไปเนี่ยเขีนว่าห้องน้ําเขานี่กว้างมากเลยคือลานทุ่งนั่นเอง เชา้ชาเช้าเนี่ยชา้ชาช้าเนี่ยคนจะถือกระป๋องไลวละ <c oughs> นะถือกระป๋องไว้ละแล้วก็วไปไปไหน <c oughs> เดินไปในป่านู่นเดินไปตางตางรุ่งว่างๆอย่างโผล่เพลย์อยู่เนี่ยนะรีบ ไ, ไปทํากิจแล้วแล้วก็ใช้น้ําที่เนื่องด้วยน้ำนี่ <c oughs> แล้วก็หรือว่าตามเขาชุนไกนะ่ถ้าเราไปฝ <c oughs> ึกรอรดอเนี่ยอก็จะต้องมันไม่มีห้องน้ำบางทีไปอยู่ป่าเนี่ยนะก็ต้องไปเดินตอนกลางคืนเนี่ยต้องไปหาที่ละหามองเหมาะ แล้วก็ไปถ่ายแล้วับระเบิดเอาไว้รหรือว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยเราต้องยิ่งเอาจอบมาขุดเพื่อที่จะกลบให้เรียบร้อยหรือถ้ามันไปไกลไม่ได้อย่างชุมชนที่อยู่ในบ้านเยอะๆอย่างนี้หมู่บ้านเนี้ยเขาต้องสร้างห้องน้ําดีๆเลยนะบางทีใช้กระเบื้องตะลังไม้เราเป็นพันๆนะเพื่อที่จะกั้นของเหม็นๆเอาไว้อยู่ภายในใช่ครับถูกครับแล้วก็ไม่ให้มันออกมาภายนอกอนะแต่ถ้ามันเลอะเทอะออกมาภายนอกเรารีบล้าง เราเรีบล้างรีบเช็ดรีบทําการแก้ไขอย่าเอาเรื่องที่ไม่ดีของใครเนี่ยมามาพูดมามาบน่นมาสาธยายให้ฟังกันนะคือจะเท่ากับว่าห้องน้ําเลอะแล้วคุณก็ชี้ให้คนอื่นมาดูนะในขณะที่ตัวเราเองถ้าเรามีเรื่องไม่ดีเรื่องต้องแก้ไขเรารียไปห้องน้ําแก้ไขซะเรารีบไปปรองอระบาดเราเรีบทําละความไม่ดีนั้นแล้วทําให้มันดีขึ้นครับคออือยังยังไม่ต้องอะไรมากเรื่องนี้เป็นเรื่อง common sense หมอพระทอง รเรียกงอนะไรครับกันอย่างอย่างเรื่องที่ว่าต้องไปห้องน้ํานะมีความเลอะเทอะแล้ต้องรีบล้างรีบเช็ดอย่างเงี้ยใช่ ค, คืออย่างแม่ครัวก็ทํางานอยู่หน้าเตาอะ่ะนะเขาก็คือถ้าเขาปวดท้องเนี่ยเขาไม่ถ่ายหน้าเตาเขาต้องตีอไปห้องน้ำนะหรือถ้ามีใครมาทำเลอะเทอะไว้หน้าเตาถ่ายไว้หน้าเตาเขาต้องรีบนะรี <c oughs> รร ง, ร, งรีบเช็ดเลยอ่านะจะไม่ได้ว่าเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเรียกคนทั้งวัดมาดูอย่างมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเช่นเดียวกันเราต้องเราเรามีความไม่ดีเรารีบลั้งออกความไม่ดีของคนอื่นเรารีบแก้ไข แต่ถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาคุณไม่ต้องด่าว่าเลยคุณด่าว่านี่คุณยิ่งเพิ่มปัญหาครับเนาะเพราะเราก็ให้ทําตามระบบนี้ระบบที่ถูกต้องครับอคําถามที่สองที่ต้องการถามหมอรัฐพงศ์ครับก็คือครเรื่องของอถ้าหมอรัฐพงศ์มีเพชรนินจินดายอย่างสวยเลยเป็นมรดกที่มอบมาจากบรรพบุรุษนะเป็นเพชรอย่างดีเป็นมีอะไรเครื่องไม้เครื่องมืออย่างดีเนี่ยน ะ, ะเราหมอรัฐพงศ์จะทํายังไงกับ อ, อุปกรณ์ตัวนี้ ก็ต้องเก็บให้ในที่ที่ปลอดภัยเก็บอย่างดีเลยเนาะแล้วก็เป็นระยะเวลาออกมาทําความสะอาดบ้างเนี่ยปี1ครั้งสครั้งอย่างเงี้ยทําการสะอาดล้างเช็ดเก็บไว้อย่างดีเราต้องเก็บไว้อย่างดีอย่างนั้นอันนี้ธรรมากำลังเปรียบเทียบกับความดีที่เรามีเรื่องดีๆเนี่ยเราเก็บเอาไว้อย่างดีความทรงจํากับใครที่มันดีๆเราเก็บเอาไว้อย่างดีเรานํามาระลึกถึงอยู่เรื่อยก็จะเป็นเครื่องที่ระลึกถึงที่ดีเรื่องดีๆของคนอื่น เราเอามาพูดเอามาโฆษณานะครั บ, รบก็จะเป็นลักษณะของวาจาสไพร์ใหม่นะที่บอกว่าเรื่องดีๆของคนอื่นเอามาพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นนะอไม่ต้องพูดถึงอืเก็บไว้ครับเรื่องดีๆของตัวเราเองไม่ต้องพูดถึงแต่เรื่องดีๆของคนอื่นนี่เราพูดถึงไว้เรื่องไม่ดีของตัวเองนะเราพยายามแก้ไขปรงอาบาดเอามาประกาศให้ตาม ร, ระบบของห้องน้ําอำนะตามระบบของห้องน้ํา แต่ถ้าเรามีเพชรนิจินดาดีๆนะเราไม่ได้เอามาใส่โชว์ไปเดินตลาดอย่างนี้นะเข้าใจไหมแต่เราเก็บว่าอย่างดีเช่นเดียวกันความดีของเราเนี่ยเราไม่ได้เอาที่ามาโฆษณาสาธยายไปประกาศตามหนังสือพิมพ์หรือว่าออกทีวีโฆษณาัแต่เราก็เก็บไว้ความทรงจําดีๆเราเก็บไว้ในขณะที่ความดีๆอนอื่นเราก็เอามาโฆษณาให้เขาเห็นครัครนนี้เหมือนเป็นคุณสมบัติของสัตบุรุษเลยนะครับใช่ใช่ ก็เป็นคุณส ah ัตว no. ์ตำรวจที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องของบาจาสัยใหม่ครับอันนี้เดี๋ยวมีคำถามนิดนึงครับท่านคือในในโลกปัจจุบันอย่างเช่นการทำงานเนี่ยการทำธุรกิจหรือการสอบเซิร์ฟอะไรต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเหมือนต้องการคนดีและคนเก่งแปลว่าสังคมบอกว่าถ้าคุณเก่งแล้วคุณไม่เสนอตัวหรือแสดงออกมาเนี่ยก็จะไม่ทราบก็จะเสียโอกาส หลายละอย่างไปเช่นมีมีดีแล้วเก็บไว้เช่นอ่าอาจจะพูดเก่งอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องประกาศว่าเราเก่งอะไรอ่เล่นดนตรีเก่งคิดเลขเก่งทำงานเก่งอย่างเงี้ยคือในสังคมปัจจุบันเนี่ยต้องการมีดีให้บอกมาบอกเปิดมาให้หมดอย่างเงี้ยครับไม่ทราบจะทำให้ขัดกับพระธรรมวินัยตรงนี้หรือเปล่าครับก็คือลักษณะนี้ไงว่าถ้ามันมีโอกาสที่เราจะแสดงความสามารถเนี่ยเราก็ทาได้ แต่ถ้ามีโ อ, อกาสได้พูดน้าชุมจนเราพูดปุ๊บเฮ้ยคนเห็นเห็นว่าอา๋อคนนี้คนนี้พูดดีนี่อย่างเงี้ยหรือว่าเขามีอาสาสมัครคือการที่เราไม่ได้ประกาศโฆษณาความดีของตัวเราเองเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราเป็นอาสาสมัครไม่ได้นะคือคือคนละเรื่องกันอย่างสมมุติรเราอาสาจะทําเรื่องนี้เรามีความสามารถในเรื่องของการพูดเป็นต้นใช่ไหมเขาอาสาสมัคค ใ, ใครจะเป็นพิธีกรเรายกมือขึ้นอย่างนี้เราทําได้แต่เราไม่ได้ไปเที่ยวโฆษณาว่าฉันเก่งนะฉันได้รางวัลตรงนี้นะฉันเคยประกวดตรงนี้มาฉันอะไรมาอย่างนี้คือถ้าเขาถามเนี่ย ถ้าเขาถามเจาะจังหน้าเลยเราเราหลีเกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราพูดได้นิดหนึ่งครับเข้าใจไหมเราเราพูดได้นิดหนึ่งแต่ไม่ต้องลงรายละเอียดว่าฉันไปทําการแข่งขันมานะโอต้องเตรียมตัวตั้ง3 4ี่วันนะต้องอ่านหนังสือเป็น4ีหเล่มนะโอ้เราไม่ต้องพูดลงรายละเอียดขนาดนั้นโอสมมุติ<ไ>ว่าเราไปประกวดในผูดในที่ชุมชนนะนะหมอละพงศ์ครับคุณต้องเตรียมการเยอะมากเลยคุณนหนังสืออะไรต่างๆบ้างอย่างเงี้ย อย่างนักวิ่งมาราธอนเนี่ยเขาต้องเตรียมการยังไงบ้างโอ้โหเขาเขียนหนังสือได้เป็นเล่มใช่ไหมหรือว่านักพูดอย่างเงี้ยคุณจะสอบผ่านมาอะไรเนี่ยคุณอ่านหนังสือเป็นส0บยเล่มอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องพูดรายละเอียดตรงนั้นก็ได้เราก็บอกว่าเราสอบผ่านแล้วเราก็บอกเราได้รางวัลนี้มาคือถ้าเขาถามจังหน้าเลี่ยงไม่ได้เลยตอบได้อยู่แต่ไม่ต้องลงไปรายละเอียดว่าโอ้โหโฆษณาพูดเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะถึงความดีของตัวเองไม่ต้องขนาดนั้นแต่ถ้าเขาไม่ถามเราไม่พูดแต่ถ้าเขาถาม พูดนิดหนึ่งก็คือว่าอาจะพูดถึงแค่สามสี่บรรทัดหรือหนึ่งกราฟ g r a ก็พอ อ, อย่างงี้นะครับครับ อ, อ, อันนี้เดี๋ยวประกาศความผิดตัวเองนิดนึงอย่างเดี๋ยวนี้เวลาไปใช้บริการเช่นอย่างเช่นไปธนาคารอย่างเงี้ยบางทีถ้าตัวพนัก ง, งานถ้าถ้าเห็นเราธรรมดาเขาก็จะเหมือนกับเออพูดแบบนึงไม่ไม่ไม่ไมอยตั้งใจเต็มที่แต่ถ้ารู้สึกเราเราได้ประกาศด้วยว่าผมเป็นหมอนะ เขาก็จะเหมือนกับมามาเฟเวอร์หรือมาเอาอกเอ า, เอาใจหมอหม อ, อ, อจะต้องมีธุรกรรมเยอะจะต้องมีสตังค์เยอะอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันบางทีเราก็เสพติดเหมือนกันบางทีก็เคยบอกกับที่บ้านเดี๋ยวนี้ยบางทีถ้าอะไรติดขัดแล้วก็แสดงตัวไปเลยอย่างเงี <laughs> ้ยอก็เป็นกิเลสนะครับบางทีบางทีเราก็ไปเออแต่มันมันก็จริงๆสังคมว่าโอ้ยคุณเป็นหมอเนี่ยก็จะจัดแจงดูแลต่างๆอย่างรวดเร็วแล้วก็ทําให้เราพึงพอใจอืม นนก็กจิกไม่ดี <laughs> คือคือบางทีมันก็มีใช้บ้างนะในกรณีรถ้าถ้ารีบถายก็สามารถรใช้ได้สิทธิพิเศษคือคนเรามันเกิดมาไม่เหมือนกันแนะ่นอนหมอละครับไม่มีใครที่เกิดมาเท่ากันหรอกถึงแม้รัฐบาลพยายามจะทําให้ทุกคนมีสิทธิเสียดิภาพเท่ากันเสมอกันแต่มันก็ไม่เท่ากันนะ่ะคือสมมุติคนไม่เก่งเลขนะ อ, อ่ะหมอลพงศ์นะต้องให้คุณอ่ะทุกคนมีสิทธิเสียดิภาพเท่ากันนะคุณจัดติวเพิ่ม จะสอนเพิ่มจะสอดสอบเพิ่มอะไรเพิ่มให้คนคที่มันไม่เก่งเลขให้มันมาเก่งเลขเนี่ยมันก็เก่งขึ้นได้10บยี่ต่ถ้าเขาไม่ได้เก่งเลขเออกมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาแล้วหรือบุญกรรมเขาของเขาธรรมดีอย่างเงี้ยนะมันก็จะยากอ่ะก็เก่งได้อย่างมากแค่10บยีมันก็จะไม่เท่ากันหรอกคนเรานะบุญกรรมวาสนาบา ร, รมีก็ไม่เท่ากันนอยู่ที่เราสร้างเท่านั้นเองอย่าไปคดาดหวังว่าไอ้นี่เป็นกรรมเก่าเท่านั้นแต่ว่าเราสร้างหนี่เราทำหนี่ ใช่ไหมถ้าเราสร้างเราทำเราก็ต้องได้รับผลเป็นธรรมดาครัอย่างถ้าจะมาไปธนาคารแล้วบอกฉันเป็นหมออ่านี่ฉันโกหกเลยฉันทาไม่ได้ล่ะถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้เป็นหมอแต่ไปบอกว่าฉันเป็นหมอเพื่อที่จะให้การธุรกรรมต่างๆมันเร็วขึ้นอันนี้ไม่ถูกละอันนี้ผิดแน่นอนละแต่ถ้าตรงนั้นเราก็ยังทําได้ในกรณีหมอรัฐโพในบางกรณีอย่างเนาะพยายามใช้เท่าที่จําเป็นครับมุกนี่อ้าว ท่านครับมีผู้ฟังรายการเนี่ยแบ่งปันแล้วก็ถามมานะครับจากตอนที่แปดสิบเก้านะครับขอโอกาสถามเลยนะครั บ, รบจากคุณรัตนาวดีบอกว่าได้เคยแนะนำผู้ที่รู้จักเนี่ยให้แผ่เมตตาให้กับคนที่เกลียดโกรธเราแต่มักจะได้รับคำตอบว่าทำไม่ได้มันจิตมันทาไม่ได้มันโกรธมากเกลียดมากทํานองนี้นะครับ แต่พอได้ฟังเอพิโซดที่แปดสิบเก้าแล้วก็วิธีที่เจริญก็คือใช้มรณานุสติคือคิดว่าเราตายหรือกำลังจะตายอย่างเงี้ยจะได้ไม่คิดโกรธตอบก็คือทำให้มีความเมตตาแล้วก็แผ่เมตตาใ ห, ให้กับผู้ที่โกรธเกลเียดนั้นได้นะครับคือท่านก็แบ่งปันมาว่าใช้ได้ผลครับใช่เอ่อก็อย่างคนที่เขาป่วยมากๆอย่างเงี้ย <น>ทุกจังหวะการเต้นของหัวใจเนี่นหมดทุมันเจ็บเจ็บเจ็บหมดเลยนะเลือดสูบฉี่ไปตามร่างกายมันผ่านจุดไหนมันเจ็บไปหมดเลยคนคที่เป็นมะเร็งที่ไขสันหลังเนี่ยนะเลือดมันผ่านไปอย่างเงี้ยก็ไอเส้นเส้นเลือดเนี่ยมันเปราะหมดแล้วอย่างเงี้ยมันผ่านไปอย่างเงี้ยมันก็เจ็บไปหมดเลยอะ่ะหัวใจเต้นก็ปวดเพราะฉะนั้นเราพยายามจะรักษาจิตจากเวทนาต่างๆเหล่าเนี้ย ใครจะด่าว่าอย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกอะไรหรอกอย่างที่พูดตาที่แล้วนะค<ช>ุณไปดา่าคุณเป็นมระเร็งขั้นสี่อ่ะโอ้ยเขาจะไปโกรธคุณว่าเราคงไม่โกรธเขาหรอกนะหรือคุณไปขุดศพมาจากมาจากลุมศพมาด่ามันนะด่าศพเลยอย่างเงี้ยโอ้ยศพมันจะไปตอบโต้อะไรเราเป็นศพอยู่อืมเดีวร่างกายนี้ต้องคืนสู่โลกเขาจะมาด่าว่าอะไรก็ธรรมดาเถอะครับนะคือคนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยเขาจะผูกเวรกับเรามาล่ะพงศ์เขาผูกเวรกับเราอยู่นะ เขาผูกเวรกับเราอยู่นะ่เราตั้งหาะที่จะต้องไม่ผูกเวรกับเขาครับนะ่เราจะต้องไม่ผูกเวรกับใครนะทำนี้เป็นทำเก่าเลยนะมอพงษ์ไม่สามารถแก้การผูกเวรได้นะแก้การจบผูกเวรด้วยการผูกเวรนะไม่ได้นะอแต่เราระงับการผูกเวรได้ด้วยการไม่ผูกเวรนะครับเรืองถ้าเขาจะผูกเวรกับเราเราอย่าผูกเวรนะอืมครับ ถ้าเรามีการผูกเวรจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเอาเริ่มเอาของเมนๆมาโชว์จะเอาอุจจาระออกมาจากนอกส่วมล่ะอนาด่ะไอ้คนดูดซ่วมอ่ะเขาไปดูดซ่วมเลยนะเขายังต่อท่ออย่างดีเลยเขาไม่ได้ไม่ได้เผชิญหน้าโดยตรงใช่ครับนั่นนั่นสิครับแต่เพราะฉะนั้นเพราะนั้นพอเจอที่ไม่ดีเนี่ยเราอย่าผูกเวรครับนะเราไม่ผูกเวรเราเราควรจะต้อง ทำฉีดเหมือนท่านาพระสารีบุตรอ่ะน <ừ m, S 1> ั่นท่านพระสารีบุตรน่ยมีคนมาผูกเองกับทนน่านอ่ะตอนที่ว่ากล่าวหาท่านว่าเอาสังกติไปโดนท่านไม่รู้โดนจริงเปล่าอัตถกตาบอกว่าโดนแต่ว่าอาจจะไม่โดนหรือเราก็เราก็ไม่รู้่นะเราไม่อยู่ในสถานการณ์แต่ <ừ> m, ท่านพระสารีบุตรทำยังไงนะพระสารีบุตรจะเดิน sim, yeah, okay. ทางออกไปไปวิเวกสักที่หนึ่งมีภิกษุรูปหนึ่งมากล่าวหาท่านว่าเนี่ยเอาสังกติมาโดน <Okay. S 1> เอาสังกติมากระทบเราก็เลยไปฟ้องบรรทุศา เงี้ยแสดง<ม>ว่าภิกษุพูดเนี้ยเขาผูกเ ว, กเว ร, รเวกับท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรครับเพราะผูกเวรกับท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรทำยังไงนะก็ผูกเวรด้วยก็เลยพูดถึงมากคนที่ไม่มีสติเนี่ยคงจะเดินกระทบแล้วไม่ขอโทษแล้วก็หลีกไปแน่ในแต่ตัวท่านเนี่ยพยายามทําจิตให้เหมือนกับน้ำํำที่ว่าใครใจะทิ้งของสะอาดไม่สะอาดก็ ก็สบายใจอยู่ไม่อิดนาระอ า, ารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นครวก็ยังเปรียบตัวท่านเองเนี่ยทำจิตให้เหมือนกับ<ม>ดินน้ำไฟลมใชมม่ดินน้ำไฟลมโดนอะไรมันก็ไม่สะเทือนนะนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองใช่พูดถึงตัวท่านเองว่าฉันจะทำจิตตัวฉันเนี่ยตัวตัวของท่านพระไตรปุฎเนี่ยทำจิตให้เหมือนกับผ้าเช็ดทุลีคือผ้าผ้ากิด้วยนั่นแห ล, ละ นะค ร, ครอะไรเขาจะเช็ดของสะตาดไม่สะอาดก็ไม่สะดุ้งสะเทือนนะไม่ถืออะไรนะหรือว่าเหมือมนกับลูกของเด็กจันทานอย่างเงี้ยจะไปไหนก็คอยเจียมตัวนะตัวทานเองก็พยายามทำจิตให้เหมือนอย่างนั้นนะมีสติให้อยู่ในกายนะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีสติอยู่ในกายเนี่ยอาจจะเดินไปกระทบคนอื่นก็หลีกไปอาจจะเป็นได้อย่างเงี้ยใช่ครับนะเราก็ยังพูดถึงโคเหมือนกับโคที่เขาขาดอย่างเงี้ย <ต>สงบเสงี่ยมไม่ไปหาเรื่องของใครนะหรือพูดถึงเด็กหนุ่มหญิงสาวที่มีเอาซากคนซากงูมาแขวนไว้ที่คออย่างเงี้ยโอ้โหครับ<ต>นะ<ต>ก็คือยกตัวอย่างถึงว่าท่านเนี่ยทำจิตอย่างไรแล้วก็เปรียบเทียบกับอุปมาอุปไมยนั้นนะถ้าเร า, <ต>าเรามีความคิดอย่างนี้นะีะที่กําลังพูดถึงกุศลบายอีกอันหนึ่งด้วยนะที<ต>่นอกจากว่าเราคิดว่าเราตายไปแล้วเนี่ยนะถ้า<ม>ถ้าเราทําจิตให้เหมือนเด็กกับเด็กจันทานอย่างเงี้ยหรือว่าโค<ต>ที่เขาขาด หรือว่าผ้าเช็ดทุรีผ้ากีริ้วอย่างเงี้ยเราจะไม่มีจิตไปผูกเวรกับใครหรอกอเราอาจจะทําบิดจริงๆก็ได้นะหมออัศพลหรือเราอาจจะไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเรามีจิตอย่างงี้คือเรามีสติอยู่ไหนะเรามีสติอยู่เนี่ยใครจะด่าจะว่าอังรไงเราก็ไม่ผูกเวรแล้วกันอย่างเงี้ยเราสบายใจอยู่นะอืมเราเราไม่ได้พูดถึงว่าฉันจะต้องหาจุดนั้นนะคือหลีกออกจากความที่ พบไปสู่วิภพมันไม่ได้แล้วเรากำลังพูดถึงสติเลยพูดถึงมรรคเลยไม่ต้องพูดถึงวิภพด้วยซ้ำนะนไม่ต้องพูดถึงการด่าว่าไม่ต้องพูดถึงการแก้ตัวแต่พูดถึงสติเลยเราทําอย่างนี้อยู่อืมครับอพอเราทําอย่างนี้ได้เราจะไม่ผูกเวรในอย่างคนที่คิดว่าตัวเองตายไปแล้วเนี่ยมรณสติหรือใกล้ะจะตายอย่างเงี้<ล>ออยเราพยายามจะรักษาจิตเพื่อที่จะไม่ให้ผูกเวรกับใครอืมไม่ให้ผูกเวรกับใครครับมีปัญหาอะไรเราก็พยายามจะแก้เพราะว่า คนที่ถึงแม้จะเป็นบ้าหลานก็ตามอะครับก็ยังมีความผิดเล็กๆแน่นอนที่พระเจ้าบอกว่ายังมีได้แต่เพราะฉะนั้นเราทุกคนเลยอ่ะควรจะเจริญวิมังสาคือการการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตัวเองอยู่เรื่อยๆครับด้วยความมีสติอยู่ตลอดเวลานะอรวมถึงสติก็ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่ว่าอย่างไงเราก็ไม่โกรธไม่ว่าอะไรทําจิตให้เหมือนกับ ดินน้ำไฟลมทำจิตให้เหมือนกับผ้า ค, คีริ้วทำจิตให้เหมือนกับเด็กจันทาร์ทำ<ก>จิตให้เหมือนกับโคเขาขาดนะทำจิตให้เหมือนกับนักโทษที่เขาถือน้ำมันอยู่และมีเป็นชะคาด<อ>เดินตามหลัง<ก>นะเราสัารวมจิตให้อยู่ตลอดอย่างนั้นนะเราก็ไม่ว่าเขาจะตีเราด่าเราว่าเราโอหอมาแทงเราเช้ากลาวันเย็นครั้งละร้อยเล่มเป็น300เล่มอย่างี้ เราไม่ควรจะโกรธเราไม่ควรจะผูกเวรโกรธก็ไม่ควรจะโกรธผูกเวรก็ไม่ควรจะผูกเวรเนะพราะว่าเพราะว่าอะไรอย่างสมมติเามาจะยกตัวอย่างนี้สมมติเรารักใครสักคนในคนหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาหรือเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยรักกันมากเลยแต่สุดท้ายให้คู่ครองของเราหักหลังอย่างเงี้ยแต่เราเราตั้งหิดตั้งหิดอยู่แล้วว่ามันจะต้องหักหลังเรา นะหรือว่าตังิตตัง ห, ตตงหิตอยู่แล้วว่ามันจะต้องโกงเราไอ้คู่ค้าคนนี้อย่างเงี้ยครับนะสู้เราเราเจ็บตอนนี้ทีเดียวครับอหนักพอสมควรนะใช่ครับเปรียบเทียบกับคุณสงสัยไปเรื่อยๆสามปีห้าปีไปสามปีห้าปีผ่านไปไปถึงตรงนั้นยิ่งเจ็บหนะักห<อ>มอหมอรพจะเลือกอนไนเจ็บตอนนี้เลยครับเหมือนกันคนมาห <c oughs> าหมอฟันเนาะ คุณมาหาหมอฟันตอนนี้คุณเจ็บนิดเดียวรูผุนิดเดียวใช่ครับคุณเจ็บหน่อยนึงนะอีกสามปีห้าปีคุณไปหาหมออีกดูโอ้มันบานแบบว่าไปไกลเล็กลึกหรือว่าเจ็บหนักกระจายเจ็บหนักแล้วไอ้ระหว่างสาปีห้าปีนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บเลยไมก็นิดนิดหน่อยก็มีคเรางงๆไปอย่างเงี้ยนะครับก็ถูไถไปอ้างนู่นอ้างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ากินยาแก้ปวดแล้วก็หายปวดแล้วก็อ่ะเป็นอีกอย่างเงี้ย อไปได้แป๊บนึงอะไรแต่ก็เป็นอีกอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยเจ็บหนักเลยครับ oh, นีไม่ได้ละสู้คุณเจ็บตอนนี้ดีกว่าจริงครับเนาะเพราะฉะนั้นเราเราเผชิญหน้ากับความจริงอืว่าอะไรเป็นอะไรนะเราอย่าผูกเวรเลยผูกเวรคุณไม่เจ็บตอนนี้ก็จริงนะคุณคิดว่าเครียดแค้นแล้วหรือว่าเขาด่าว่าเราเราผูกเวรคิดว่าเราจะทําให้เขาเ ทำให้เขาเจ็บใจแล้วเราก็สบายใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยนะแต่จริงๆเราทําไปทีละนิดเลยนีดหรือเนี่ยสุดท้ายตรงนั้นเราก็ต้องวางอยู่ดีตรงนั้นเราเจ็บหนักด้วยนะแล้วถึงค่อยวางได้สู้รเราเจ็บเดี๋ยวนี้วางเดี๋ยวนี้อืมจริงๆครับอันนี้ใช้ปัญญาโนนในการวางปล่อยวางาแล้วพอเราวางได้ปุ๊บแหมบางทีมันต้องเที่ยวเข็นตัวเองนะใช่ครับก็คือเหมือนการปราลบความเพียรนะนะตรง ท, ที่พูดถึงว่าเจ็บนึงเนี่ย คือการ巴拉ลบความเพียรความอดทนความอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อ<ม>จะใหเราผ่านตรงนี้ไปได้นะแต่ถ้าคุณไม่ยอมทํานะอีกสามปีห้าปีคุณจะเหตุการณ์นี้หนักกว่าเดิมอีกโอ้โหหนักกว่าเอามันผ่านให้ได้ตอนนี้ทําเดี๋ยวนี้แก้ไขาเดี๋ยวนี้จัดการเดี๋ยวนี้ให้มันหมดไปเดี๋ยวนี้ครับอย่าให้มันยืดเยืออครับโอ้สาธุครับท่านอันนี้ได้ใช้ประโยชน์เลยวันนี้นะครั บ, รบอารมณขึ้น เครื่องบินกลับมาที่อุดรธานีครับที่สนามบินอุดรธานีเนี่ยใ น, นระหว่า ง, งที่รอกระเป๋ากระเป๋ากําลังเลื่อนออกมาจากนะหลังเลื่อนกระเป๋านเลื่อนใคเดินทางโดยเครื่องบินก็จะทราบว่ า, ากระเป๋าก็จะอยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคนคขึ้นจะขึ้นไปใช่ไหมกระเป๋าก็อยู่ข้างใต้ข้างใต้พอเราลงจากเครื่องมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่เอากระเป๋ามาจากใต้เครื่องมารอที่เขาเรียกว่าสายพานกระเป๋าสายพานหมุนมาอ่าหมุนมาหมุนมาเนี่ยคนที่เดินทางจะรู้ดี ระหว่างที่รอกระเป๋าอยู่เนี่ย<ม>ก็เห็นแม่ลูกคู่หนึ่งเนี่ยก็เอาเข็นรถเข็นมาที่สําหรับจะบรรทุกกระเป๋าเขาก็เอากระเป๋าใส่ใส่เข้าไปแล้วก็เร่งรอใบอื่นอยู่อีกในระหว่างที่รอไปเนี่ยตัวลูกเนี่ยนะโกงส<ม>ักประมาณ10บขวบไม่ถึงดีหรอกมันห้าขวบเจ็ดขวบกำลังซ้อนกําลังเล่นกําลังพูดกําลังอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปเอ็นตัวยืนพยายามที่จะค้าตัวเองขึ้นโดยใช้ใ้เจ้า รถเข็นเนี่ยเป็นตัวรับน้ําหนักของตัวเองคือเด็กเขาเริ่มโตขึ้นมาใช่ไหมเขาพยายามที่จะทดสอบกําลั ง, งเขาด้วยการพยุงตัวเองบนรถเข็นโดยใช้แขนสองข้างอย่างเงี้ยนี่ยปรากว่าไอ้รถเข็นเนี่ยสองล้อห น, หน้านี่มันลอยขึ้นมานีไอ้สองล้อหนังที่รับน้ําหนักมันก็รับไม่ไหวมันก็เอน็เอนเสล้มไปอ๋อแล้วก็เกิดเสียสมดุล น, นะรถเข็นเนี่ยเทกระจัดลงมาแล้วก็รถเข็นเนี่ยกระทบตัวของเด็กนั่นเองโอ้ แล้วก็ไอของเกินอะไรก็หล่นมาบ้างหล่นทับครับอ่ไม่ได้ของทับนะรถเข็นทับตัวเด็กนะครับคือด้านที่จับเนี่ยมันล้มลงมาทับเด็กเลยอืมเด็กก็ร้องไห้หนูแม่เขาก็บอกว่าอ้าวลูกทําไมทําอย่างนี้ดูซิข้าวของเสียหมดแล้วลูกลูกอ่าเจ็บนะแต่ข้าวของมันก็หล่นนะครับเออแล้วลูกเนี่ยก็ทั้งเจ็บทั้งถูกด่า ทังเจ็บทั้งถูกด่านนะด้วยจิตใจของลูกนี้ก็คงจ ะ, ยาา ะ, ะแย่มากแหละอาตมากเห็นดูนะเ อ, อคือแม่นั้นอนะ่ะเขาเห็นของสําคัญกว่าลูกนะในกรณีอย่างนั้นนะรเราทําให้เราระลึกถึงวาบขึ้นมาถึงเหตุการณ์สมัยที่อาตมาอายุประมาณเท่านั้นอนะ่ะเราจำได้ว่าเราไปเดินชนอ่ชนเก้าอี้คือหัวเรามันยังไม่ได้สูงมากก็ไปเดินชนเก้าอี้นะโอหัวโนเลยหัวโนเลยแล้วก็ร้องไห้อ่ะ เจ็ บ, บแล้วเราก็วิ่งไปหาอา마อา마อาตามาเนี่ยมาจากเมืองจีนนะแล้วอา마ขอเราก็ยิ้มยิ้มแจ่มใสเป็นคนมีเมตตาเนี่ย<ม>พอมาให้อามาก็อามาก็โออนะอืมแล้วก็โอ้อลูกเป็นอะไรนะไหนเป็นอะไรเ อ, าอ้าอเอก้าอี้มันเดินไปชนเก้าอี้เหรออ้าตีเก้าอี้นี่เก้าอี้มันไม่ดีมาขวางลูกฉันทําไมหลานฉันรักนะอย่างเงี้ยเราไม่เห็นว่าโอ้ อาม่าก็รักเรานะไม่ได้รักเก้าอี้มากกว่าเรานะทำให้อะเอมามาเห็นว่าเราเราควรจะแทนที่เราจะรักความชั่วเรารักความดีดีกว่าคือเราล่ะเรารักตัวเองมากกว่าหรือว่ารักความชั่วไหมอย่างรักความสะอาดหรักของเหม็นใช่ไหมความสะอาดอเรารักความสะอาดนะเราอย่าทำเหม็นเหม็นใช่ครับ เนะเราคุณรักลูกหรือรักกระเป๋าถ้าคุณรักลูกคุณควรที่จะแสดงความรักให้ลูกนะปลอบประโลมอ่าครับเหมือนอย่างที่อมาม่าทำนะถ้าคุณรักความดีคุณควรจะแสดงความดีนะจริงคคุณอย่าไปแสดงการปลุกเวรนะอืมือคุณรักกุศลธรรมใช่ไหม ค, คุณควรจะพูดสิ่งดีๆนะอย่าเอาของเหม็นๆมาพูดนะอืมอืมคุณไม่สามารถหลุดออกจากภพ ด้วยการใช้วิภพนะอืมครับอ๋ออันนี้เพราะนั้ น, นคือลูกคือเด็กเนี่ยยางงี้มันก็มีที่ผิดอยู่แล้วนะผิดนั่นทำนี่บ้างถูกบ้างผิดบ้างนะแต่ว่าเราจะเลือกที่จะเป็นแบบไหนนะจะเลือกที่เป็นแบบแม่ที่สนาม บ, บินหรือเป็นแบบอา玛ที่อยู่ที่บ้านนะคือเราลูกเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนกับคนอื่นๆที่เราเจอด้วยนั่แหลนะแล้วก็อาจจะทำผิดบ้างถูกบ้างแล้วถ้านะเราจะเลือกทาจิตแบบไหนล่ะ เราจะเลือกทำจิตแบบแม่ที่สมบินหรือเราจะเลือกทำจิตแบบอมา마ธิบานคือเราไม่ต้องแบ่งหรอกว่าเราดีกว่าเขาเขาแย่กว่าเราเราแย่กว่าเขาเขาดีกว่าเราเราเสมอเขาดีกว่าเราเขาแย่กว่าเราเราดีกว่าเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นมานะทั้งสิ้นเลยเราไม่ได้บอกว่าเราต้องดีกว่าใครเราต้องแย่กว่าใครหรือใครต้องดีกว่าเราเราต้องแย่กว่าใครนั้นแต่เราทำความดีเนถ้ามีคนมืดมาเราอย่ามืดไปเราให้สว่างไปมีคนมืดมาเราให้สว่างไป พระรูปเ้ายังเห็นแม้เส้นผมเส้นเดียวของพระเทวทัตยังจะดึงได้ยังจะช่วยดึงขึ้นมา mm hmm. ครับทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนจาก้ความรู้ที่เรามีนะหมอรัตพงครับคือบางคนศึกษาพระสูตรตร่างต่าง <Yeah, yeah. S 1> เรื่องจำเรื่องได้นะ mm hmm. แล้วก็ความรู้ความเรียนตรงนั้นเนี่ยกลับมาใช้ในการทำให้เป็นวิพภพนะคือเป็นด่าว่านะคือคุณรักพระสูตรมากกว่ารักตัวเองนะ <c oughs> โดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าตรงนั้นก็เป็นพิษว่าในการที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยชอกช้ำเองเอาอากุศลธรรมไม่เกิดขึนนะ <c oughs> คือเราเรียนรู้มากเราเป็นปัญญาชนอย่างที่บอกเมื่อตอนที่แล้วคือปัญญาชนในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณต้องจบด็อกเตอร์รอะไรพวกนั้นหรือว่าเรียนอ่านหนังสือได้คล่องแคล่วรู้รสิบกภาษาไม่ใช่แ <c oughs> ต่เราให้คุณรู้แค่บทเดียวไม่ต้องอ่านหนังสืออะไรออกก็ได้จำำําคําพุทธชาติได้สักคํานึงนะนั่นก็ชื่อว่าเป็นปัญญาชนบทหนึ่งนะ ก็ใช่ไหมคือปัญญาพระหูสูตรเนี่ยผู้เจ้าพูดถึงคนที่รู้ทำแม้เพียงหนึ่งบทแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้อ๋อก็บรรลุดำได้อ่านี่คือเป็นพระหูสูตรผู้ทรงทําได้แต่คือไม่ได้ว่าต้องจําทั้งพระไตรปิฎกหรือว่าจําทั้งหมดทุกพระสูตรแต่ถ้าเราจําได้สักบทหนึ่งหรือเราจําได้มากก็แล้วแต่จําได้มากเราก็เป็นปัญญาชนได้จําได้น้อยเราก็เป็นปัญญาชนได้นปัญญาชนนี้คือหมายว่าคุณรู้ความ จำความรู้ของคนหนึ่งก็เฉยๆจนกว่า ม, มันจะทําเป็นความรู้ของเราเองได้คือเป็นวินยูชนที่เราพูดถึงว่าเราจะเปลี่ยนได้ก็โดยความที่เราทําอินสี่ห้เดินตามมักแปดจะทําให้ปัญญาชนของเราเนี่ยปัญญาชนบทหนึ่งก็ตามปัญญาชน30บทก็ตามปัญญาชนทั้งประไตบิด덕 ก, ก็ตามเนี่ยก็จะเป็นวินยูชนได้คือพยายามที่จะเปลี่ยนพิษงูเนี่ยคือไอ้งูพิษใช่ไหมไอ้รปริยัติเนี่ยมันเป็นงูพิษนะ ให้มันเป็นเซลรุ่มไม่ได้ให้เป็นเซรุ่มให้เป็นประโยชน์โดยการจะเปลี่ยนเป็นเซรุ่มเขาทาไงหมอรัฐพงศ์ก็เอาพิษงูไปทำไงไปให้พิษมันลดลงอนะครับคือก็ไปผ่านกระบวนการของเขาต้ัตว์ตัวโตมาใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเลี้พิษมาเออไม่รู้เขาทํำยังไงแล้วนะแต่ว่าวิธีการที่ตั้งเดิมเนี่ยก็เอาไปฉีดเข้าวัวเข้าควายให้เพาะเชื้อในพัในหนังของมันอ่ะครับโดยแล้วก็น้ําเหลืองตรงนั้นออกมา่คือต้องมี ต้องมีความอดทนต้องมีมักต้องเดินตามมักเราปฏิบัติด้วยศรัทธาแล้วนะเราก็จะเปลี่ยนจากพิษงูตรงนั้นเนี่ยให้เป็นเซรุ่มได้เปลี่ยนพิษงูนั้นให้เป็นเซรุ่มเปลี่ยนปัญญาชนของเราให้เป็นความเป็นวินยูชนเปลี่ยนความ ร, รักในทางที่ไม่ถูกทางนะแต่จากรักกระเป๋าไปเป็นรักลูกนะจากรัก สิ่งที่ไม่ถูกรักความชั่วให้มาเป็นรักความดีนะรักความชั่วที่เคลือบไว้ด้วยของหวานหวานคิดว่าอันนี้เป็นความดีะนะให้มารักความดีจริงๆนะเราก็จะ เ, เป็นวินยูชนได้เรื่องนี้เราได้พูดไปแล้ววิธีการเปลี่ยนจากความรู้ความเรียนให้เป็นวินยูชนเปลี่ยนปัญญาชนให้เป็นวินยูชนเปลี่ยนจากพิษงูให้เป็นเซรัม่มเปลี่ยนจากขี้ให้เป็นปุ๋ยเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาส เราทําได้ด้วยการเดินตามมาร์กทาได้ด้วยการเดินตามพระหหรืออินทรีย์าก็ได้เนาให้มีศรัทธาให้มีความมั่นใจในคําสอนพระุทธเจ้าปฏิบัติตามไปมีสติมีปัญญามีสมาธิเกิดขึ้นตามลําดับได้ครก็ยกระดับดขึ้นเป็นวินยูชนใช่ ค, คือเหมือนกับว่า ท, ที่ในบทันเฉลิญพระธรรมนะปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิตในคะำของที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเฉตใช่ครับนะคือผู้รู้เนี่ยวินยูชนเนี่ยนะรู้ได้เอง คุณต้องรู้ึงถึงจะเป็นวินยูชนได้อนื้อรู้ได้ยังไงนี่ไงทําจิตที่เหมือนภาคีริ้วเป็นภาคิริ้วได้ไหมเนืด่าว่าเช็ดทําความสกปรกฉันก็รับได้เรียกว่าไม่กระเทือนเป็นน้ําไฟลมไหยเขาทิ้งของสาตวไม่สัตว์เราก็รับได้รับได้ครับเพราะความที่เรามีสตินั่นเองอืให้มีวิวังสาอยู่เรื่อยๆเหมือนเราพงวมังสานะคอยพัฒนาประปรุงตัวเองครับ อืมครับอันที่ท่านตอบมาก็ตอบคำถามของคุณตุ๊กทัศนาอย่าง<ม> ล, ะละเอียดเลยนะครับก็คื อ, อท่านสงสัยถึงความแตกต่างระหว่างปัญญาชนและวินยูชนซึ่งได้ตอบไปอย่างละเอียดเลยนะครับอืมครับดฉะนั้นถ้าใครไปอินเดียนะหมอรพอง์ครับก็ต้องไปห้องน้ำต้องห้องน้ำมันใหญ่มากเลย คือผ <c oughs> <c oughs> ื้นแผ่นดินอันกว้ า, ออางใหญ่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องปิดให้ดีบังให้ดีครนะความชั่วความสกปรกเราอย่ายให้มันออกมาแก้ไขนะไม่ไม่ใช่ว่าปิดซ่อนเร้นเอาไว้แล้วทําให้มันพอกพูนมากขึ้นนะไม่ใช่นะครับคือเขาก็ไม่ได้ว่าไปเก็บในตู้แล้วให้มันเหม็นมากขึ้นแต่ว่าเขาก็จะมีกระบวนการบําบัดใช่ไหมในห้องน้ําอย่างเงี้ยกระบวนการบําบัดทั้งกระจัดน้ําเสียปล่ให้มันไหลไปเปลี่ยนเป็นทําเป็นอะไรต่างๆที่มันเป็นดีขึ้นเช่นเปลี่ยนเซรั่ม เป็นปิดงูให้เป็นเซรัม่มจะเปลี่ยนขี้ให้เป็นปุ๋ยอย่างนี้เปน็นต้นใช่ครับนั่นไม่ใช่พอกพูนให้มันมากขึ้นแต่พยายามจะแก้ไขให้มันดีครับมีคำถามเพิ่มเติมจากคุณน้ำฝนที่บอกว่าบอกว่าจากพระสูตรที่ว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าก็ก็คือเป็นการเตือนว่าคนที่อยู่เดินอยู่ในมรรคเนี่ยไม่ควรปักใจเชื่อ สิ่งที่ได้ยินมาโดยปราศจากการตรวจสอบอันนี้คือถูกต้องใช่ไหมครับออันนี้ก็คือว่าหมายความว่าถ้าใครสักคนห น, กนหนึ่งเนี่ยจะใช้วิธีใดสักวิธีหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะ ใ, ให้เราวางนะ่ยสิ่งที่มันยึดในจิตของเราได้อันนั้นดีมากเลยนะมไม่ว่าจะเป็นคําพูดพุญเจ้าตรงไหนนะโดยบทเพลงชนกกะก็ตามนะีโดยอัฐะก็ตามที่มันจะมาจีดในใจเราแล้วให้วางได้ให้เห็นโทษมีอุบายในการนําออก จากสิ่งเหล่านั้นได้อันนั้นดีมากเลยครับแล้วการที่แบ่งปันให้คนอื่นทราบว่าเอันนี้ใช้ได้กับฉันนะเมันอาจจะใช้ได้กับคนอื่นก็ได้แต่อย่งกรณีของการที่พิจารณาเห็นว่าเราตายไปแล้วอย่างเงี้ยหรือคนที่เป็นโรคหนักๆใกล้จะตายอย่างเงี้ยมันไม่มีจิตที่จะมาผูกเวรกับใครหรอกในในกรรมาธิมารดัอนั้นเราก็ทําจิตอย่างเงี้ยแหละอืเราก็จะสบายใจได้ครับ ในกรณีของคําถามที่พูดถึงว่าอย่าเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งเงินเปล่าเนี่ยนะครั บ, ค, รบคือหมายความว่าก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบในกรณีของห้องน้ําเนี่ยที่มันไม่สะอาดเนี่ยถ้าคุณไม่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเราไม่ต้องพูดถึงเลยจบอ่าใช่ครับแต่ถ้าคุณเห็นว่าเป็นปัญหาคุณทําแก้ไขถูกต้องตามทมํามไหมหมายความว่าถ้าเราเอามาบ่นด่าว่าอันนี้คุณไม่ถูกละคุณตัวเองผิดเองครับคุณก็คือเหมือนกับว่าปัญหาเอ่อ ทำตัวเ ป, เป็นแม่ที่รักกระเป๋ามากกว่าลูกครับนะเราก็เพราะฉะนั้นเราจะแก้ยังไงล่ะถ้าเราเห็นว่าเป็นอธิกรเป็นเรื่องราวที่ต้องทําให้ระ ง, งับก็เรีย ก, กฝ่ายหนึ่งมานะพูดคุยกันให้ ช, ชัดเจนนะะชุมมีการประชุมเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองมันก็แก้ถูกต้องตามธรรมก็คือล้างห้องน้ํำซะหรือไม่ก็เรียกคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาล้างห้องน้ําแกน้นละแหละครับอืมก็จะแก้ไขปัญหาไปได้ เวลาไม่ว่าจะเป็นเอาต่อให้โสดบันหรือพาอาาระอรหันตะ์พูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาเนี่ยระดับพระอรหันต์ตตาาาก็ตามเนี่ยก็ยังมี ค, คือบางทีมันก็มีข้อผิดพลาดะนะข้อผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารเป็นแน่นอนนะกดแบเมญชนะไม่ถูกนี่ก็มีแน่นอนเพรานะฉะนั้นเราก็ฟังไว้เนี่ยเราจะทรงจิตยังไงให้ใหอยู่ในกุศลธรรมแค่นั้นเองอ ให้ทำใจให้สบายเถอะนั่มาว่าจริงครั บ, รบเอาในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของมารยาแยากแยก <c oughs> นะเนาะมารยากับกุศลกุลรบายรบเราได้รู้พูดถึงการเปลี่ยนขี้ให้เป็นปุ๋ยเปลี่ยนผิดงวยเป็นเซรั่มเราเผ่านอาุปสรรคต่างๆตอนนี้ดีกว่าดีกว่าที่จะปล่อยมันเรื้อรังไปแล้วก็ต้องเจ็บอีกอยู่ดี พยายามที่จะเห็นสิ่งที่ถูกต้องนะไม่ได้ว่าหนีเพราะกลัวแต่เห็นด้วยปัญญาจึงไม่ยุ่งน่นไม่ใช่เพราะว่ารุ่มหลงสร้างสรร์เพราะว่าด้วยความรุ่มหลงแต่ว่าทำสิ่งที่ดีด้วยความที่เห็นว่ามันดีครับเนาะด้วยความคิดอย่างนี้เราก็ชื่อว่าหลีกออกจากพบโดยไม่ใช่วีภพคุณจะแก้ปัญหาด้วยการด่าว่ามันไม่ถูกต้องแน่นอนไม่ถูกครับใช่เราควรจะแก้ปัญหาด้วยการที่คอย ประชุมปรึกษาอย่าไปพูกเวน่ะว่างั้นน่ะกรับเหมือนที่คำที่เราจะได้ยินบ่อยบ้ากเวนร่อมย่อมระงับด้วยกันไม่ม่องเวนใช่นี่เป็นธรรมเก่านี้เป็นธรรมเก่าครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จบแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปคุณหมอรัทวงครับต้องกราบนัำมการขอบพระคุณพระอาจารย์ภบูรณอภิพุนโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีครับ วาสุสครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ